เจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25ทุสจิกายนพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านได้มีความตั้งใจมาวัดเพื่อมาเสริสร้างความเป็นเสียใมงคลให้แก่ชีวิต ด้วยการบูชาพระรัตนตรัยทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามกำลังแห่งสติปัญญาของแต่ละท่านที่จะพืงกระทำได้เพราะการกระทำเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญก้าวหน้า ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเบื้องต้นการบูชาพระรัตนกรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นกิจที่พึงกระทมอย่างสม่ำเสมอทุกเช้าทุกเย็นและทุกเวลาถ้าสามารถที่จะทำได้เพราะการได้บูชา พระราชนาจรอยนั้นไม่ได้หมายความว่าเพียงแต่เป็นการจุดธูตเทีเยนแล้ว ก, ก็กราบสามครั้งเท่านั้นแต่เป็นการเจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนาและเป็นเป้าหมายหรือจุดที่พุทธศาสนิกชน พึงตั้งเป็นจุดที่จะดําเนินไปให้ถึงให้ได้เพราะเป็นจุดที่เป็นเป็นจุดพัฒนาที่สูงสุดที่จิตใจสามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปให้ถึงได้มีพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุกเป็นตัวอย่างท่านสามารถยกระดับจิตของท่านจากความเป็นปุถุชนธรรมดา สามันอย่างพวกเราทั้งหลายที่ยังอยู่ในห่วงของความทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายแบบไม่รู้จักจบจากสิ้นท่านสามารถยกระดับจิตของท่านให้อยู่เหนือความทุกข์เหล่านี้ได้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า สำหรับพระพุทธเจ้าเองก็ต้องศึกษาด้วยพระองค์เองเพราะไม่มีครูไม่มีอาจารย์ที่จะสามารถสอนให้ท่านพัฒนาจิตใจของท่านให้สูงถึงจุดสูงสุงสดได้บรรดาครูอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้ไปศึกษาก็สอนได้เพียงระดับกลางๆเท่านั้นคือยังไม่ถึงขั้นสูงสุด สอนได้ถึงระดับสมาธิระดับฌานแต่ไม่มีครูบาอาจารย์องค์ใดจะสามารถสอนระดับปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพความเป็นจริตของสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไ, ไม่มีใครสามารถรู้สามารถเห็นความไม่มีตัวตนในสภาวะธรรมทั้งหลายได้ มีแต่พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญเพียรอย่างแต่กล้าเช่นเจ้าชายสิทธัตถะคือพระพุทธเจ้าของเราที่ต้องทรงบำเพ็ญด้วยพระองค์เองศึกษาค้นคว้าพิจารณาไปจนกระทั่งในที่สุดจึงสามารถเห็นธรรมอันประเสินที่ว่าสัเพส ต, ตาสัเพธมาอนัตตา ธรรมทั้งหลายไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนนี่เป็นวิสัยของพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่จะสามารถมีปัญญาที่จะมองทะลุเห็นความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายเช่นร่างกายของพวกเราเป็นต้นตรงเห็นอย่างชัดแจ้งแดงแจ๋ว่าไม่มีตัวตวนอยู่ในร่างกายนี้เลยไม่มีเราไม่มีอะไรเป็นของเรา นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและหลังจากที่ได้ชงรู้รงเห็นแล้วจึงนำเอามาเผยแผ่ให้กับผู้อื่นต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วมีปัญญาสามารถรับไปพิพิจารณาได้ก็จะสามารถมองเห็นอย่างเดียวการกับ ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงเห็น ว่าเป็นสัพเพธรรมานตาทำทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนมเมื่อสามารถมองเห็นทะลุอย่างชัดแจ้งแล้วก็จะปล่อยวางสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ยึดไม่ติดเมื่อไม่ยึดไม่ติดว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราความทุกข์ต่างๆก็จะไม่มีเข้ามาสู่จิตใจอีกต่อไปนี่คือคุณธรรม อนวิเศษของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่เราสวดกันทุกวันเช่นอิติปิโสภะกวาอารหังสัมมาสัมพุทโธคำว่าอารหังก็แปลว่าผู้ที่สิ้นกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ที่ตัดสู้ด้วยโดยชอบด้วยตนเองคือไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนต้องศึกษาด้วยตนเอง นั่นคือพระพุทธเจ้าองค์แรกเท่านั้นแต่หลังจากที่ได้ทรงหลั ส, สรู้เห็นแล้วผู้อื่นไม่ต้องมาสอนตัวเองให้ยากให้ลำบากไม่ต้องเสียเวลามาค้นคว้าหาความจริงเพราะความจริงนั้นมีปรากฏขึ้นอยู่ในพระไทยของพระพุทธเจ้าแล้วและได้ทรงนำออกมาเผยแผ่ประกาศให้กับสัตว์โลกได้รู้แล้ว เพียงแต่รับไปพิจิพิจารณาเท่านั้นก็จะสามารถเห็นได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นไม่ต้องเสียเวลามาคลาทางเหมือนกับคนตาบอดถ้าต้องเดินทางไปโดยไปคนเดียวโดวยลําพังไม่มีคนตาดีนําพาไปก็จะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตนต้องการจะไปได้ แต่ถ้ามีคนนําทางไปก็จะไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วถ้าคําทางไปอาจจะไปถึงก็ได้อาจจะไปไม่ถึงก็ได้แล้วแต่ความสามารถถ้าเก่งจริงๆฉลาดจริงๆก็อาจจะสามารถคาทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางก็ได้แต่จะต้องใช้เวลาอันยาวนานกว่าจะไปถึงที่ที่จะไปได้ เมื่อเปรียบเทียบกับมีคนมีคนพาไปถ้ามีคนพาไปเขาพาไปโดยตรงไม่ต้องเสียเวลาไปจอดไปแวะตรงนั้นตรงนี้ไปลองถนนเส้นนั้นลองถนนเส้นนี้ให้เสียเวลานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฏิบัติกับพระองค์ในเบื้องต้นคือปฏิบัติชำระพระทัยของพระองค์ ให้สิ้นจากกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงด้วยการเจริญวิปัสสนาทรงรู้ทรงเห็นสัพเพธรรมานาตาว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเมื่อไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนก็ไม่ยึดไม่ติดกับอะไรไม่อยากจะได้อะไรเพราะเมื่อได้อะไรมาแล้วก็ต้องสูญเสียไปเพราะธรรมชาติของสิ่งต่าง สภาวะธรรมต่างๆล้วนเป็นอนิจจังทั้งสิ้นคือไม่เที่ยงถ้าไปหลงไปยึดไปติดอยากจะให้อยู่กับตนไปนานๆเวลาที่จากกันก็ต้องเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ดังนั้นผู้ที่มีวิปาาัสสนาญาณคือมีปัญญาย่อมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งหลาย เมื่อเห็นแล้วก็ไม่ยินดีไม่มีความปรารถนาที่จะไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะไม่มีใครอยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์นั่นเองอยังในใดสภาวธรรมหรือสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่พวกเราทั้งหลายหลงรักหลงยินดีหลงชอบหลงอยากได้มาเป็นสมบัติไว้ครอบครองและได้มาแล้วก็มีแต่ปัญหาตามมา มีแต่ความทุกข์ตามมาเพราะโดยธรรมชาติของเขาเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังไม่เที่ยงทุกข์ก็คือให้ความทุกข์กับผู้ที่ไปเกี่ยวข้องด้วยอนัตตาไม่ใช่เป็นสมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของโลกนี้เพียงแต่ดวงวิญญาณของเราดวงจิตดวงใจของเรา มาครอบครองไว้เท่านั้นเองว่าเป็นสมบัติของตนเพราะความหลงแล้วก็ไปยึดไปติดอยากจะให้เป็นไปตามความปรารถนาความต้องการเมื่อไม่ได้เป็นไปก็ต้องเท่าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้แต่ผู้ที่มีวิปัสสนาญาณแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายท่านก็จะไม่ยึดไม่ติดท่านปล่อยวาง ไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆในโลกดีเพราะจิตนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีสิ่งต่างๆจะมีความสุขมากกว่าเสียโดยซ้าไปมากกว่าการที่มีสิทธิ์ต่างๆในโลกนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ความสุขได้ก็เพียงชั่วขณะเป็นครั้งเป็นคราวเป็นบางเวลาแต่ความทุกข์ที่แถมมาด้วยนั้น เป็นความทุกข์ที่แสนสาหัสแสนสาแสนแสนเจ็บปวดแสนทรมานไม่คุ้มกับความสุขที่ได้รับจากความสุขที่ได้รับจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือวิสัยของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกคําว่าอาหารหันนี้ก็แปลว่าผู้สิ้นกิเลสผู้ไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตในใจอีกต่อไป เป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เมื่อเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วภพชาติก็ไม่มีอีกต่อไปเพราะเหตุที่จะสร้างภพสร้างชาติก็คือความโลภความโกรธความหลง น, นั่นเองเมื่อไม่มีเหตุผลก็ไม่มีตามมาเหมือนกับไฟถ้าไม่มีเชือ้อไฟก็ต้องดับไปถ้าเราจุดเทียนไว้ทิ้งไว้เมื่อเทียนถูกเผาไหม้ไปหมดแล้ว ไฟก็ต้องดับตามไปด้วยเพราะไม่มีเทียนไม่มีเชื้อไฟนั่นเองฉันใดภพชาติก็หมดไปเมื่อเชื้อของภพชาติคือความโลภความโกรธความหลงนั้นถูกทำลายไปหมดพระพุทธเจ้าและพระอาหารตาสาุทัทั้งหลายจึงไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปจิตของท่านเป็นพระนิพพาน เป็นจิตที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไปหาความสุขความทุกข์จากสิ่งต่างๆในสังสารวัฏในภพทั้งสามไม่ว่าจะเป็นรูปการมาภพรูปภ พ, รปภพหรืออรูปภพก็ตามจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นั้นไม่ไปแล้วอยู่ที่พระนิพพานที่เป็นปรามังสุขถังเป็นความสุขอย่างยิ่งยวดที่สุด ไม่มีความสุขอื่นใดในโลกนี้จะเสมอรื่นเนือกว่าความสุขของพระนิพพานไปได้นี่คือความหมายของอรหันต์เป็นวิสัยที่จิตอย่างพวกเราทั้งหลายสามารถ ข, าขว่คว้าได้ถ้าเรามีปัญญาเข้าใจถึงพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติ เข้าใจว่าทำไมจะต้องทาบุญให้ทานทำไมจะต้องรักษาศีลทำไมจะต้องนั่งสมาธิทำไมต้องเดินจงกรมทำไมต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายทำไมต้องฟังเทศน์ฟังธรรมเหล่านี้ถ้าเป็นคนฉลาดจะรู้จะเข้าใจว่าเป็นวิธีที่จะกาจัดความโลภความโกรธความลง ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจกำจัดเชื้อแห่งภพชาติให้หมดไปเมื่อไม่มีเชื้อของภพของชาติแล้วการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดทุกที่เกิดจากการแก่การเจ็บการตายก็หมดไปเช่นเดียวกันดังที่มีพระบาลีที่แสดงไว้ว่าทุกย่อมไม่มีแต่ผู้ไม่เกิด ถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ทุกย่อมมีกับผู้เกิดทั้งนั้นไม่ว่าใครทั้งสิ้นเพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัฒนาจากกันเป็นธรรมดาแล้วเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาจิตใจของผู้ที่ยังมีความหลงมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็จะต้องทุกข์อย่างแน่นอน ยกเว้นจิตของผู้ที่หลุดพ้นแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์แม้นยังจะต้องอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้อยู่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แต่จิตของท่านจะไม่มีความสะทกสะทานกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บ ค, ความตายความพัดพลาดจากกันจะไม่มีความรู้สึกอะไรกับสิ่งเหล่านี้เลย รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับฝนตกแดดออกอย่างไรก็อย่างนั้นพวกเราก็ไม่มีความสะทกสะท้านไม่มีความหวั่นไหวกับฝนตกแดดออกแต่ทำไมเราต้องมาสะทกสะทานกับเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเรื่องพัดพลาดจากกันนั่นก็เป็นเพราะพวกเรายังมีความหลงอยู่เมื่อมีความหลงก็ทำให้เกิดมีความอยาก อยากจะให้สิ่งที่ตนชอบนั้นอยู่กับตนไปนานๆแต่เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันไม่อยู่กับตนไปนานๆก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้เวลาที่ต้องจากกันไปในเวลาที่อยู่ก็มีความกังวลไม่รู้ว่าจะจากกันไปเมื่อไหร่นี่คือความหลงนี่คือผลของความหลงหลงให้ไปยึดไปติดให้ไปหยาก แต่คนที่ฉลาดคนที่กำจัดความหลงได้แล้วจะเห็นว่าห้ามไม่ได้สิ่งต่างๆในโลกนี้เขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาเมื่อมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่ห้ามได้ก็คือใจห้ามด้วยปัญญาไม่ให้ไปหลงไปยึดไปติดให้เพียงแต่รู้ว่าเป็นอย่างนี้ มีก็ได้ไม่มีก็ได้เวลามีก็ไม่ยึดไม่ติดเวลาไม่มีเวลาหมดไปก็ไม่เสียอกเสียใจนี่คือจิตของผู้ที่ไม่มีกิเลสจะเป็นอย่างนั้นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระาอารหันต์ท่านเป็นอย่างนั้นถึงแม้ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ท่านจะไม่ทุกข์กับอะไรทั้งสิน้นแม้ว่าจะเป็นการเจริญของลาบยศสารเสริญสุขทั้งหลาย จะได้เงินทามามากน้อยเพียงไรก็ไม่รู้สึกอะไรจะได้ได้ได้ยศได้เกียรติที่คนเขามอบให้ก็ไม่รู้สึกอะไรจะได้รับคัรเสริญเยือนยอมากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรจะเห็นจะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผพท่ต่างๆมากน้อยเพียงไรจะเป็นหยาบหรือละเอียดขนาดไหน วิเศษขนาดไหนก็ตามก็จะไม่รู้สึกอะไรจะรู้สึกเฉยเฉยและในทางตรงกันข้ามเวลาที่สิ่งต่างๆเหล่านี้เสื่อมไปก็จะไม่รู้สึกอะไรเช่นกันเช่นเวลาเสื่อมราบเคยมีเงินทองแล้วหมดไปไม่มีเหลือแม้แต่บาทเดียวจะไม่เศร้าโศกเสียใจเลยเพราะท่านไม่เคยได้อยู่กับไม่เคยเอาศัยเงินทองเป็นเป็นที่พึ่งนั่นเอง ้ะถูกใครก็ปลดออกจากตําแหน่งต่างๆก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะไม่ได้ยึดไม่ได้ติดไม่ได้อยู่กับตําแหน่งเหล่านั้น้ะถูกคนเขานินทาว่ากล่าวให้ร้ายอย่างไรก็จะไม่รู้สึกอะไรเพราะไม่ได้อยู่กับขี้ปากของคนไม่ได้ดีใจเวลาเขาสรรเสริญเยินยองไม่ได้ไปร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจ เวลาคนเขาดา่าเขาว่าเขานินทาเขาสาบแช่งเพราะจิตไม่ได้อยู่กับคำพูดของคนนั่นเองจิตอยู่กับธรรมะอยู่กับความจริงเนี่ยอยู่กับปัญญาเมื่อมีปัญญามีธรรมะมีความจริงอยู่ในใจแล้วจะไม่มีอะไรจะมาสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้ได้เลยนี่คือจิตของผู้ที่หลุดพ้นแล้วเป็นอย่างนั้น จะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาหลับและเวลาตื่นทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่ตายไปหลังจากที่ตายไปแล้วก็ยังมีความสุขเพราะจิตไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่ว่าจะเป็นจิตของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ก็ดีหรือจิตของปุตุชนอย่างพวกเราทั้งหลายก็ดี ก็เป็นสิ่งที่ไม่ตายเหมือนกันต่างกันตรงที่จิตของพระพุทธเจ้ากับพาระอรหันต์ไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วหมดสิ้นจากความทุกข์แล้วมีแต่ความสุขเป็นเปลี่ยนอยู่ในหัวใจแต่จิตของพวกเราจิตปุถุชนนี้ยังมีกิเลสตัณหาความโลภความอยากความหลองอยู่จึงยังต้องไป ก็ไปสร้างความทุกข์ให้กับตนเองด้วยการไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปพัดพลาดจากกันแล้วก็ไปใช้เวรใช้กรรมที่ได้สร้างมาในแต่ละภพในแต่ละชาติไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าตราบใดยังไม่ได้กําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ าที่เราจะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปได้นั้นในเบื้องต้นก็เราต้องเจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณคือการบูชาพระรัตนตรัยนั่นเองถ้าอยู่ที่ไหนกราบพระได้ก็กราบแต่ถ้าไม่เหมาะสมกับการกราบ ก็ไม่เป็นไรเพราะการบูชานั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นการบูชาที่แท้จริงก็อยู่ที่การเราเลิกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเช่นเราเราเลิกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้สิ้นสิเกลเบ็นเป็นจุดเป้าหมายที่เราจะต้องไปถึงให้ได้เราก็ศึกษาต่อไปว่าแล้วจะทำอย่างไร ถึงจะได้เป็นผู้ที่สิ้นกิเลสเหมือนกับพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเจริญพระธรรมคุณพระพคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวที่จะพาเราไปสู่พระนิพพานนั่นเองเราก็ต้องรู้ว่าพระธรรมคุณมีอะไรบ้างเช่นสวาสขาโตพระวตาธรรมโมรมของพระพุทธเจ้าจัดไว้ชอบแล้ว หมายความว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาททุกคำนั้นล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นไม่มีของโกหกหลอกลวงเจือปนอยู่เลยทรงสอนว่าเกิดเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดผาจากกันก็เป็นความจริงตายแล้วต้องไปเกิดก็เป็นความจริงเวลาไปเกิดก็มีทั้งสวรรค์มีทั้งนรก ขึ้นอยู่กับบาปกับบุญที่ตนทําไว้ถ้าทําบุญไว้มากถงึงเมื่อได้เวลาที่บุญจะส่งผลให้ก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ไปสู่สุขติไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นอริยบุคคลหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาบําเพ็ญบุญกุศลต่อไปถ้าเป็นว่าถ้าเป็นเวลาของบาปที่จะแสดงผล ก็ต้องไปเกิดในอบายเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์นรกนี่คือที่ไปของจิตใจของปุทุชนอย่างเราอย่างท่านทั้งหลายผู้ที่ยังไม่สามารถตัดภพชาติได้ก็ต้องไปเกิดในภพชาติต่างๆตามบุญตามกรรมที่ได้สะสมมา ถ้าต้องการไม่ถ้าไม่ต้องการที่จะไปเกิดในอบายในนรกอยากจะไปเกิดสวรรค์ในสวรรค์หรืออยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้เพราะศีลห้าจะเป็นตัวชี้เป็นตัวแยกแยะระหว่างอบายกั บ, กบสุขคติ ถ้ามีศีลห้าก็จะได้ไปสุขคติที่อยู่ของมนุษย์ของเทพของรมของพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้ก็ต้องไปอยู่เป็นไปอยู่กับเดรัจฉานเปรตอสุรกายและสัตวน์นรกทั้งหลายนี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนําเอามาสั่งสอนเอยแพร่ให้กับสัตว์โลก พวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วอย่าไปสงสัยถ้าเราสงสัยแล้วก็จะทำให้เราไม่อยากจะปฏิบัติตามทำให้เราไม่เชื่อและเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์แต่เราเป็นเหมือนกับคนตาบอดเราจะไปปฏิเสธคนตาดีได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนตาดีอย่างพระพุทธเจ้าผู้มีศีลมีธรรม ผู้มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความโลภความต้องการอะไรจากใครทั้งสิ้นการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสอนด้วยพระเมตตากรุณาปรารถนาดีสงสารสัตโลกที่ยังลุ่มหลงอยู่กับสิ่งต่างๆอยากจะได้ให้มีดวงตาเห็นธรรมเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจึงอุตสาหสละเวลาถึงสี่สิบห้า ปีด้วยกันสั่งสอนสั่นโลกอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้เรียกเก็บค่าตอบแทนเลยแม้แต่บาทเดียวดังนั้นการเชื่อพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรจะเชื่อเพราะเราไม่มีทางเลือกทางเลือกก็คือไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อเราก็ไม่ได้ประโยชน์ถ้าเชื่อเราจะได้รับประโยชน์เพราะมีคนอื่นเชื่อพระพุทธเจ้ามามากมายแล้ว แล้วก็ไม่มีใครผิดหวังเช่นพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านเมื่อก่อนที่จะเป็นอรหันตสาวกได้ท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเป็นปุถุชนธรรมดาอย่างเหล่านี้มีความโลภความโกรธความหลงเต็มอยู่ในหัวใจแต่เมื่อได้ยินได้ฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วก็เกิดความเชื่อขึ้นมาเชื่อว่าสามารถปฏิบัติยกจิตใจของตอนเอง ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จึงน้อมเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนที่มีหัวข้อใหญ่ๆอยู่สาด้วยสหัวข้อด้วยกันคือหนึ่งให้ละเล่นกายกระทำบาปทั้งหลายสองให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงคร้อสมสให้กำจัด ชำระจิตใจให้สะอาดโดยสุดกําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจท่านเหล่านั้นมีความเชื่อและก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอย่างไม่ย่อท้อจนในที่สุดท่านก็สามารถกําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้ และได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาเป็นจิตที่สะอาดโดยสุดเหมือนกับของพระพุทธเจ้าไม่มีแตกต่างกันเลยในเรื่องของความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของจิตของพระพุทธเจ้ากับของพระอาหารหันตสาวกนั้นไม่มีความแตกต่างกันเลยถ้าเป็นเสื้อผ้าก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่ได้รับการซัดแล้วสะอาดเท่าๆกันไม่มีความแตกต่างกันเลย ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันตสาวกสารการตรงสมมุติฐานะเท่ น, น, นั้นเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นอรหันตสาวกการว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็หมายถึงว่าเป็นผู้ชําระจิตของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ด้วยตนเองไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนส่วนพระอรหันตสาวกนั้นไม่สามารถทําได้ด้วยตนเองถ้าไม่ ถ้าไม่มีใครสอนแล้วจะไม่รู้จักวิธีจะไม่รู้จักช า, าระจิตใจให้สะอาดได้จึงเป็นสาวกคาว่าสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังเป็นผู้ได้ยินได้ฟังพราะทำคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะจากพระโอษฐโดยตรงก็ดีเช่นในสมัยพระพุทธกาลหรือจากคำของคาสอนของพระอริยสงฆ์ต่างๆอย่างเช่นพวกเราในสมัยนี้ เราก็อาศัยการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระอริยะสงฆ์บ้างหรือของพระพุทธเจ้าที่ได้บีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่ก็เป็นพระธรรมคำสอนเช่นเดียวกันถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วจิตใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์หมดจด เหมือนกับจิตของพระอาหารทั้งหลายดังนั้นสิ่งที่เราควรจะกระทำถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าแล้วก็ควรที่จะศึกษาให้รู้ว่าต้องทำอะไรก็ดังที่ได้พูดไว้ว่าเนื่องใ ห, ใ, หให้ละการกระทำบาปทั้งปวงด้วยการรักษาศีลห้านั่นเองละเว้นจากการฆ่าสับสับชีวิต ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดตเวณีละเว้นจากการพูดปลดมดเท็จและละเว้นจากการเสพสรารยาเมาหรือถ้าจะปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นจากนั้นได้ยิ่งดีจากศินห้าก็ให้ถือศินแปจากสินแปก็ถือสินสิถือศินสองรอี่สิบข้อนี่คือเรื่องของการละการกระททำบาปทั้งปวง ส่วนการกระทําความดีทั้งหลายถึงพรอง้อมก็เช่นการมาวัดมาทำบุญให้ทานมารักษามาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมหรือมาหรืออยู่ที่บ้านก็คอยดูแลคุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นผู้มีมีอายุมากแล้วก็เลี้ยงดูท่านมีความกตัญญูกตเวทีมีสัมมาคาระวะ มีความมีเจตใจที่มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเจตใจที่มีความกรุณาสงสารในผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งหลายนี่คือการกระทําความดีต่างๆที่เราพึงกระทําอย่างสม่ําเสมอและร่างประการที่สามก็คือการชําระจิตใจต้องชำระด้วยการภาวนา สมถตภาวนาคือนั่งสมาธิวิปัสสนาภาวนาคือการเจริญปัญญานี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำเมื่อเรามีศรัทธาแล้วและได้ศึกษาได้รู้แล้วว่าจะต้องทาอะไรเราก็ทำไปของเราไปเรื่อยๆตามจากกำลังตามจากเวลาที่เราจะมี ควรจะตัดสิ่งอย่างอื่นไปบ้างที่ไม่จำเป็นเอาเวลาที่ไปเที่ยวไปกินไปเล่นมาทำการชำระจิตใจจะได้ประโยชน์มากกว่าดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คืออย่างที่ได้แสดงไว้ทำชำระ บ, บาปราบบาปทั้งหลายทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร แล้วก็ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราทำทั้งสามสิ่งนี้ได้แล้วรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งจิตใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวจงจิตใจของเราจะจะสะอาดบริสุทธิ์เป็นจิตเป็นเหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระอรหันต์เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีกรอบเวลา คือสามารถปฏิบัติได้ทุกสมัยทุกยุคไม่ว่าจะเป็นในสมัยพระพุทธการก็ดีหรือในสมัยปัจจุบันก็ดีผู้ปฏิบัติสามารถได้รับสามารถรับผลได้เท่าเท่ากันสมัยพระพุทธการปฏิบัติไปแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์สมัยปัจจุบันนี้ปฏิบัติไปก็จะได้บรรลุเป็นพระอารหันต์เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกัน อยู่ที่สติปัญญาศรัทธาความเพียรท่านั้นของแต่ละบุคคลถ้ามีมากและสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนก็จะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายไปถึงได้การที่เราจะไปถึงจุดหมายนี้ได้เราก็ต้องมีการบูชาพระรัตนตรัยอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเราจะไม่ได้ลืมหน้าที่ที่แท้จริงของเราว่าเรามีหน้าที่จะทําอะไรถ้าเราไม่เจริญเราลึกถึงพระพุพะทธรธรรมพระสงฆ์เดี๋ยวเราจะถูกอานาจของความหลงหลอกพาให้เราไปสร้างไปก่อไปทำโน่นไปทํานี่ไปหาสิ่งโน้นหาสิ่งนี้จนลืมไปว่าหน้าที่ที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ตรงไหนว่าจะต้องทําอะไร แต่ถ้าเราจเจริญระบูชาพระรัตนตรัยอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เรากราบพระเราก็จะระลึกถึงคําว่าอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสทุกครั้งที่เรากราบพระธรรมเราก็จะระลึกถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกครั้งที่เรากราบพระอริยสงฆ์ก็จะทําให้เราระลถึงว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราทําอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่อยู่ห่างไกลจากพระนิพพาน จะไม่อยู่ห่างไกลจากการหลุดพ้นจากกองความทุกข์ทั้งปวงจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงให้ความสําคัญต่อการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่อง <c oughs> บูชาได้ทั้งกายวาจาหรือจะบูชาแต่ใจอย่างเดียวก็ได้เช่นเราเลิกถึงอิติปิโสภะกวาเรหังสัมมาสัมพุทโธเราเลิกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนสถานเวลาใดเราสามารถเจริญพระพุทธธรรมประสงค์พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณได้เสมอถ้าเราไม่ลืมไม่เขอเท่านั้นเองจึงขอฝากเรื่องการมาวัดเพื่อมาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่านด้วยการมาบูชาพระรัตนตรยัยมาทำบุญให้ทานรักษาศีล ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแกร่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่าดีขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ